และในตัวศีนี้ก็จะเป็นเรื่องของสติคำว่าศีนกับสตินี่เป็นเป็นเรื่องเดียวกันคนที่มีศีลก็คือคนมีสติคนมีสติก็คือคนมีศีนแต่ท่านบอกว่าพระอริยเจ้ามีสติเป็นศีลนะเพราะศีลนี่มี2ระดับคือศีนโดยสมมุติหรือว่าศีลสังคมมีศีล5ศีล8ศีรสิศีล300รอยังมหายาณก็ศีนสา0 เป็นภิกษุณีก็สิน348ีแถ้าเป็นภิกษุก็สิน250ถ้าเป็นเถรวาทก็ภิกษุณีสิน311ภิกษุก็ินี่2ิทั้งหมดนั้นเป็นสินสังคมถ้าเป็นรั้วก็คือเป็นหลักรั้วปักอ ม, มเพื่อไม่ให้สิ่งอันตรายหลุดรอดเข้ามาอันตรายแก่จิตใจนะแต่ว่ายังไม่ใช่สินโดยของพระอริยเจ้า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 ชีวิตทุกชีวิตเนี่ยจะแบ่งเป็นสองอย่างนะคือกายกับใจหรือรูปกับนามโดยหลักนะกายกับใจรูปกับนามถ้าเป็นภาษาโดยทั่วไปชาวบ้านทั่วไปเราจะกายกับใจแต่ถ้าเป็นภาษาวิปัสนาภาษาปรมัาท่านจะใช้คำว่ารูปกับนาม พอกายกับใจนะะี่หมายถึงตัวกายเท่าน uh ี้กับใจมันแคบแต่ถ้ารูปกับนามมันกว้างรูปหมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นเสียงที่เราได้ยินก็เป็นรูปกลิ่นที่เราสัมผัสทางจมูกก็เป็นรูปรสที่เราสัมผัสทางลิ้นก็เป็นรูปสัมผัสที่เราสัมผัสทางกายก็เป็นรูปอารมณ์ที่สัมผัสทางจิตก็เป็นรูปเนี่ย รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เนี่ยเป็นรูปเรียกว่ารูปแต่นามนั่นหมายถึงความรู้สึกนึกคิดนะความรู้สึกนึกคิดที่เป็นเวทนาความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงนี้เป็นนามรูปเสียงกลิ่รสสัมผัสอารมณ์เนี่เป็นรูปเรียกว่ารูปนามเพราะฉะนั้นชีวิตหนึ่งเดียวเนี่ยแตกออกเป็นสองงาคือง่ารูปและนามถ้าสมมุติว่าเราได้ยินเสียง นะรูปของเสียงก็มากระทบหูนในภาษาปรมัตา์เรียว่ารูปเหมือนกันรูปของเสียงรูปของเสียงนี่เราจะไม่เห็นเป็นเป็นตัวมันเป็นคลื่นแต่สิ่งไหนที่ประกอบด้วยสีด้วยแสงนี่เรียกว่ารูปสิ่งไหนที่ตามองเห็นถือว่าเป็นรูปหมดนะเพราะฉะนั้นโดยโดยปรมัตา์นี่จะไม่แยกว่าเป็นนั้นเป็นนี้โดยปรมาจาร์ถือว่าเสานี่ก็เป็นรูป โยมที่นั่งอยู่ก็เป็นรูปนาฬิกาเรียกชื่อเดียวทั้งหมดโดยปรมิมาณเนี่ยมันจะมีชื่อเดียวสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนีย่มีชื่อเดียวว่ารูปนะจะเป็นรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรถรูปสัมผัสนั่นชีวิตหนึ่งเดียวแยกเป็น2คือจำไว้ว่าได้แก่รูปกับนามทีนี้รูปมีกี่อย่างรูปประกอบด้วยอะไรบ้าง รูปมีสองอย่างรูปรูปอย่างหยาบรูปอย่างหยาบมีสีคืออะไรดินน้ำลมไฟเรียกว่าธาตุใช่ไหมรูปอย่างหยาบเรียกว่าธาตุสีรูปอย่างหยาบประกอบด้วยสีดินน้ำลมไฟตัวของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุสีใช่ไหมรูปรูปใหญ่เนี่ยประกอบด้วยรูปเล็กรูปเล็กลงมาสีคือดินน้ำลมไฟและรูปเล็กขนาดกลางทั้งสี่นี่ แยกแยกออกไปอีกเป็น28 28รูปนะยีรูปเช่นรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปแก่รูปเจ็บรูปปวดรูปอะไรพวกนี้เป็นรูปข้างนั้นนะรูปชราารูปหนุ่มรูปสาวรูปเด็กรูปเล็กรูปการเคลื่อนอะไรต่างๆเป็นรูปเขาเรียกว่าอุปาทายรูปคือรูปอาศัยรูปหลักมี4 ดินน้ำดวงไฟรูปอาศัยมี24รวมเป็น28เขาเรียกว่าอุปทายุถ้ารูปใหญ่นี่เขาเรียกมหาพูตธรูปเพราะฉะนั้นรูปมี28แต่โดยปรมัตแล้วมีรูปเดียวแต่แยกเป็นชนิดมี28นะนี่เรียกว่าชีวิตแบ่งเป็นสองคือรูปรูปแบ่งเป็นแยกเป็นรูปหยาบกับรูปละเอียดรูปหยาบเรียกว่ามหาพูธรูปรูปละเอียดเรียกว่าอุปทายรูป นะทีนี้นามบ้างนามแบ่งเป็นเป็นสองคือรูปนามกับนามรูปนะรูปนามกับนามรูปรูปนามหมายถึงความรู้สึกที่อยู่กับกับกับรูปเสียงกีรติสัมผัสนี่เรียกว่าความรู้สึกตาที่เราเห็นนี่รู้สึกทางตานะก็เรียกว่า นามทางตานามทางหูหูเราได้ยินเขาเรียกว่าชจมูกได้กลิ่นลิ้นริ่มรดนี้เพราะนั้นความรู้สึกที่เป็นเไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เรียกว่ารูปนามความรู้สึกที่เป็นเป็นาาหนา ย, ยาานะา ใ, หใจอย่างเดียวเช่นความรู้สึกสบายมันสบายรู้สึกเฉยเฉยเขาเรียกว่าเป็นความคิดออกมาความรู้สึกที่เป็นไปนในความคิด หรืออารมณ์เราเรียกว่านามรูปนะเพราะ that นามมี2อย่างคือรูปนามกับนามรูปแต่รูปมี28อย่างคือรูปหยาบแล้รูปละเอียดรูปหยาบเราเรียกมหาภูตรูปรูปละเอียดแล้วว่าอุปทัยรูปนะอันนี้คือรายละเอียดของชีวิตให้รู้จักโครงสร้างหลักๆซะก่อนว่าเราจะรักษาชีวิตเราได้เนี่ยต้องรู้จักชีวิตการจะรักษาศีลรักษาชีวิตเนี่ยต้องรู้จักชีวิตเราประกอบด้วยอะไรบ้าง เอาเอาแยกไว้แค่นั้นก่อนถ้าแยกไปละเอียดกว่านั้นเดี๋ยวเราจะงงนะว่ารูปในส่วนหยาบกับในส่วนละเอียดนามในส่วนหยาบและในส่วนละเอียดนามในส่วนส่วนหยาบเรียกว่ารูปนามนามในส่วนละเอียดเรียกว่านามรูปนะอย่างสมมุติว่าเราคิดถึงบ้านเนี่ยเป็นรูปนามหรือนามรูป เป็นนามรูปพ่อคิดถึงบ้านบับบ้านปรากฏในใจเป็นรูปของบ้านใช่ไหมรูปของบ้านปรากฏแล้วแต่ในขณะนี้เรานั่งล้วปวดขานี่เป็นรูปนามหรือนามรูปเป็นรูปนามเพราะมันปรากฏที่รูปตรงนี้เห็มั้มแต่เราคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องคิดถึงลูกรูปของลูกรูปของนั้นมาปรากฏเป็นภาพในใจเขาเรียกว่านามารูป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 ในการปฏิบัติพิปัสนารูปนามที่ป ร, า, รปปากฏขณะ น, น, นี้มันมีอะไรบ้างมีเย็นไหมมีร้อนมีไหมมีบางคนก็ร้อนอ่อนมีไหมอ่อนว่าร่างกายเลือเคลื่อนไปแข็งมีไหมแข็งบางครั้งเรานั่งได้เพราะความเข้มแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งเคล้งตึงเคลื่อนไหวเจ็บปวดเหล่านี้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 ถ้าไม่เปลี่ยนเป็นอะไรไเป็นทุกข์ <laughs> ถ้าไม่เปลี่ยนก็เป็นทุกข <laughs> ์เวลามันทุกข์ขึ้นมาล้วบังคับบัญชาให้หายได้ดังใจได้ไหม <laughs> มันเป็นอะไร <laughs> เป็นอนัตตาไม่มีตัวที่ให้บังคับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นไหมอาการของรูปเป็นสามคืออนิจจังทุกขอังอนัตตาตลอดเวลาไม่ไม่มีเป็นอย่างอื่นเลยเลือด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 แต่วันไหนเร า, ากินอะไรเข้าไปแล้วมันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงเ ป, เป็นก้อนเป็นแท่งอย่างั้นเป็นยังไงมีปัญหาแล้วใช่ไหมอาหารไม่ย่อยอนอกจากไม่ย่อยแล้วถ่ายไม่ออกอีกอานนะการไม่เปลี่ยนแปลงทำให้เดือดร้อนการเปลี่ยนแปลงชนิดนี้ดี น, ะนีทางทางรูปนะหรือหายใจเข้าไปแล้วหายใจเข้าแล้วมันกลับไม่ค่อยเข้าจมูกมันตันจมูกมันแน่น มันไม่ค่อยเข้าหายใจเข้าแล้วหายใจไม่เข้าอีกก็ชักยุ่แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตอยู่แต่ว่าผลของการเปลี่ยนแปลงเลือดลมเดินตลอดเวลาแต่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไอเดี ย, ยบทให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของเลือดของง้อลมก็เกิดอาการปวดอาการเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงเอาความเจ็บปวดนั่นออกไปถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงมันก็เป็นทุกข์อ่า เป็นทุกข์การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ความทุกข์ก็มีนําไปสู่ความสุขก็มีเช่นแล้วนั่งนานๆไม่เปลี่ยนเลยนําไปสู่ความทุกข์เวลามันทุกข์แล้วเราก็บังคับมันไม่ได้ต้องแก้ไขตัวที่เข้าไปแก้ไขทุกข์มีสองอย่าง 1. แก้ไขโดยสัญชตาตญาณ2แก้ไขโดยปัญญาถ้าแก้ไขโดยสัญชตาตญาณเนี่ยมัน ก็ให้เกิดความหลงเช่นว่าเรารู้สึกปวดป้าเราก็เปลี่ยนทันทีเลยไม่ได้พิจารณาไม่ได้กำหนดรู้แล้วก็สั่งสมอะไรเรื่อยๆสั่งสมโมหะความหลงเรื่อยๆเพราะเราทำตามสัญชตาตญาณ น, นะแต่พอเราได้ปฏิบัติวิปัสสนาแล้วก่อนที่เราจะพลิกจะเปลี่ยนเรามีการกำหนดรู้ก่อนว่าความเจ็บความปวดขณะ น, นี้เป็นอะไรเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามหรือเป็นรูป ความเจ็บปวดที่เราจะเปลี่ยนขนี้มันเป็นรูปนามหรือเป็นนามรูปรูปนามเที่ยงไหมรูปนามเป็นสุเป็นทุกรูปนามมาฆบัญชาได้ไหมไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไปลักษณะ น, นี้เกิดปัญญาเคยพิจารณาอย่างนี้ไหมก่อนเปลี่ยนไม่เคยถึงว่ามันได้ทุกทุกวันอย่างงี้พอสังสมความเคยชินเด้่ลยทุก็เกิดทุกวันว่าเราสังสมเหตของมันเหตของทุ ก, ก็คือความ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 จนกระทั่งไปถึงจุดใดจุดหนึ่งที่เหมาะสมปับ๊บมันก็จะเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นเห็นตัวเองมีสองอย่าง 1. น่งเห็นตัวเองเป็นสมมติสองเห็นตัวเองเป็นปรมัติ์เห็นตัวเองโดยสมมุติก็คือเห็นเรานี่เป็นผู้หญิงผู้ชาย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 อะไรมากระทบกระแทกในทางที่ไม่ถูกทางนี้ไม่ได้เราจะยึดท่านฉะนั้นท่านก็เลยให้มาปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเท่าทันสมุติเมื่อเกิดปัญญาแล้วท่านสมมุติให้รู้ตัวเองเป็นปรมัตเสียทุกข์มันจะได้ไม่เกิดถ้ารู้ตัวเองเป็นปรมัตถ์รู้ว่าอย่างไรรู้ว่าตัวนี้ตัวที่เรานั่งอยู่นี้เป็นอะไร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 ปรมัดนะะคือรู้ในส่วนที่มันส่วนประกอบเราเรียกว่าคนเราเรียกว่าเราก็ส่วนประกอบส่วนประกอบหยาบๆของคนเนี่ยมีเท่าไหร่มี4เรียกว่าธาตุเรามีอาการย่อยส่วนประกอบย่อยเรียกว่าอาการเท่าไหร่อาการ32มใช่ไหมมีผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเนื้อเนื้อเอ็น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 แต่พอไปหาหมอหมอขอตรวจดูหูหน่อยไปไงหูเนี่ยเราก็ดีใจว่าหูเราถูกจับแล้วก็พอใจใช่ไหมเห็นจับหูเหมือนกันอีกคนหนึ่งจับแล้วไม่พอใจแต่อีกคนหนึ่งจับพอใจอ่าเห็นหมเพราะนั้นการปฏิบัติถูกต้องตามสมมตินี่เราเรียกว่าศีลและธรรมนะแต่การถูกจับถูกต้องโดยที่เราไม่เกิดความรู้สึกใดใพอใจก็ไม่มีไม่พอใจจะถูกจับเฉย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 ตามองเห็นแต่มันไม่ทําหน้าที่เขาเรียกว่าสัตแต่ว่าเห็นแต่ถ้าม e like so ันทําหน้าที่เรียกว่าจักหูวิญญาณมันเห็นมันรู้จักไอตัวรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเขาเรียกว่าจักหูวิญญาณวิญญาณเกิดได้ใช่ไหมหูได้ยินได้ินเสียงว่าเสียงเสียงนี้หมายความว่าไงไอการรู้ความหมายของเสียงนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าโสตวิญญาณใช่ไหมว่าเสียงนกเสียงกาเสียงคนเสียง พูดเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะเสียงธรรมะเรารู้เราแยกออกไอ้ตัวที่รู้แยกออกว่าเป็นเสียงอะไรนี่เราเรียกว่าโสตวิญญาณน่ะโสตวิญญาณแล้ว audio vision ใช่ไหมโสตวิญญาณ audio c o n s c i o u s n e s แล้วก็จมูกเวลากินโชยมาเรารู้ว่าไอ้ น, นี่เป็นกลิ่นปะลาร้หรือกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าหรือกลิ่นหอมเนะี่ยมันแยกออก ลักษณะที่มันแยกกลิ่นออกได้เรารู้จักเห็นภาพเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าคานะวิญญาณไม่ใช่นาสิกนะภาษาวิญญาณเรียกว่าคานะคานะคือจมูกนาสิกก็คือจมูกคานะคานะคือในส่วนที่ประสาทสัมผัสแต่ตัวจมูกเรียกนาสิกนะแต่ประสาทสัมผัสอ้เรียกคานะทีนี้เวลาไปทานข้าว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 การรับรู้ทางกายเรียกว่ากายวิญญาณใช่ไหมกายวิญญาณบอดิลีค o นเชสเนส์นะกายวิญญาณแล้วเราอยู่ขณะ น, นี้เราคิดตามสิ่งที่จะมาพูดก็ดีเราคิดตามเสียงที่ได้ยินก็ดีเราคิดตามรูปที่ได้เห็นก็ดีเราคิดตามสัมผัสที่ได้รู้ก็ดีมันคิดปรุงแต่งขึ้นมาได้รับรู้ได้เราเรียกว่าอะไรเรียกว่า มโนวิญญาณ mental formation หรือ mental consciousness นะมโนวิญญาณนะเพราะฉะนั้นการรับรูอ้อังอยะทั้ง6นี้เรียกว่าวิญญาณเมื่อรับรู้เข้ามาแล้วมันก็มาปรุงใช่ั้มากออกาา ม, ามาแยกออกไอการมาปรุงมาแยกออกเป็นนั่นเป็นนี่ว่าอันนี้เสียงนี้หมายความว่าอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ใจมันทำหน้าที่เข้าใจอย่างนี้แล้วเรียกว่าสังขารเมื่อปรุงเสร็จปรุงข้อมูลเสร็จเรียบร้อย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 ฉังนั้นเรามาเจริญสตินี้มารู้รูปรู้รรน้ำเบื้องต้นนะลูลูกนามเบื้องต้นให้ได้แล้วก็ลูกนม้มเบื้องต้นนี้เราจะเข้าไปพิจารณาให้เป็นวิปัสนามาที่นี่เรามาทําวิปัสนานะไม่ท้าทําสมถะสมถะทุกคนมีอยู่แล้วคือจิตสงบจิตสงบนี่ทุกคนรู้จักทํา ถ้าเราไม่จิตไม่สงบเราจะเรียนจบไหมถ้าจิตไม่เป็นสมาธิเราจะเรียนจบไห ม, ไ ม, ม, ไ, หมไม่จบเราจะทํางานสําเร็จไหมไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจทําอะไรนั้นนนันแหละสมาธิมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปทํามันอีกเราก็มาทํำวิปัสสนาคนที่มามีสมาธิดีมาสมาธิมากก็เรียนเก่ง <c oughs> คนที่มีสมาธิน้อยหนก็เรียนไม่เก่งนะคนที่มาสม า, สมาธิปานกลาง ก, ก็เรียนปานกลาง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 นั่งทำอะไรนานๆมันก็ปวดมันก็ลูกหนีมันก็บําบัดทีงมันเป็นแม้แต่สุนัขแม้แต่สัตว์สัตว์มันก็อยู่เฉยไม่ได้มันอยู่นานๆมก็นิ่งไม่ได้มันก็ปุ๊ทุ่มกันไอการบําบัดโดยธรรมชาติอย่างนั้นเรียกว่าสันสัตยานคนก็ก็ก็เป็นสัตว์ก็เป็นไม่ต่างกันแต่ว่าคนที่จะต่างกับสัตว์ก็ตรงที่ว่ามันมีการพิจารณาซะก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนพิจารณาเอาปัญญาซะก่อนแต่ถ้าหากว่าไม่พิจารณามันก็เกิด ตันหาเกิด อ, อุปาทานถ้าพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังทุตานเราก็เปลี่ยนไปกาหนดรู้ล้วก็เปลี่ยนไ ป, ก, ป, ก, ป, นไปก็เป็นปัญญานะแล้วก็ความเป็นมนุษย์ของเราก็จ ะ, ะมีความเข้มแข็งมีความหมายมีแสงสว่างมีปัญญามากขึ้นเรื่อยๆเพราะมีการเอาอปัญญาจากสิ่งที่มันเป็นทุกเนี่แหละเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัญญาอยู่เสมอดังนั้นทุกครั้งเวลาเรา จะทำอะไรกําหนดซืก่อนนะทุกอย่างกําหนดเพื่อที่จะแปลงตัวสัญญาให้เป็นปัญญานะตัวสัญญาที่มันเป็นไปเองเรียกว่าสัญชาตญาณแต่ตัวสัญญาที่ถูกกําหนดรู้เราเรียกว่าปัญญายานเพราะฉะ น, นั้นเปลี่ยนสัญชาตญาณให้เป็นปัญญายาณโดยใช้การกําหนดรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนาตานะเข้าไปเป็นตัวกลาง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 นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำลั ก, ลกษณะการเจริญสติที่เป็นวิปัสนาต้องไปแนวนี้นะหนึ่งต้องรู้จักชีวิตทุกข์ทวนขอีกทีหนึ่งก่อนที่จะจบ2ชีวิตแบ่งเป็นกี่อย่าง2 อ, อย่างคือรูปกับนามหรือกายกับใจรูปแบ่งเป็นกี่อย่างแบ่งเป็นสองอย่างคือยุบยาบเรียกว่าธาตุซีรูปละเอียดเรียกว่า ธาตุอาศัยธาตุทั้งญาตุหยาบทั้งละเอียดบวกกันเข้าเป็น28นะ่ดสดธาตุสีดินน้ำลมไฟธาตุอาศัยคือรูปของผู้หญิงรูปของผู้ชายรูปหนักรูปเบารูปสบายรูปไม่สบายก็เป็นรูปเหมือนกันนะเป็น24รูปนะแล้วก็ในส่วนน้ำละ่ะรูปเป็น28น้ำมีเท่าไหร่ามีเท่าไหร่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 รูปทำงานอย่างไรทำงานตามหลักของอนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันทำงานเงั้นตลอดเมื่ออนิจังทุกขังอนัตต า, า, าทำงานแล้วถ้าเรามีสติเข้าไปกำหนดรู้อั น, นิจังทุกขังอนัตตก็เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นปัญญาถ้าไม่มีสติเข้าไปกำหนดรู้อา น, นิจังทุกขังอนัตตก็เปลี่ยนเป็นอะไรเ ป, เป็นเป็นโมหะและความหลงเป็นความโง่เขลาใช่หม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 ในส่วนไหนเป็นสมมุติคือเราไปใส่ชื่อให้มันนะมันมีชื่อเยอะแยะเลยสมมติสมมุติแปลว่าอะไรสมมุติแปลว่าข้อตกลงอ่าข้อตกลงกันว่าเรียกอย่างนี้นะไอตัวที่เป็นอันนี้นี่นะรูปอันนี้นะเราเรียกว่าอะไรอ่าเรียกว่ามือใช่ไหมและในมือเป็น5้ากิ่งแต่และกิ่งเราเรียกว่า นิ้วอย่างเง้ย แ, แต่และนิ้วก็มีชื่อของมันอีกกิ่งเล็กๆนี้วหน่งนิ้วอะไรกิ <_ T> ่ง <rabbit> ใหญ่นี่เขาเรียกว่านิ้โปมีสมมุติไปเรื่อยๆแต่ในนิ้โปนี้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยเล็บอีกมีชื่อของมนันอีกประกอบด้วยหนังประกอบด้วยเนื้อประกอบด้วยดปูประกอบด้วยเลือดเห็นไหมส่วนประกอบอีกเยอะแยะเลยนี่เขาเรียกว่าส ม, มุตมินมันมีส่วนประกอบแยออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราก็มาสื่อความหมายกัน แต่ถ้าสือ่อความหมายถูกก็ทําให้เราสบายใจใช่ไหมถ้าสือ่อความหมายผิดก็ทําให้เราทุกข์ใจเช่นเอ า, อ ห, เ า, าหัวมิโป้ตัวนี้นะเขาว่าหัวมิโป้เราไม่ดีหัวมิโป้ของเราเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเรารู้สึกสบายใจไหมไม่สบายใจเขาโอ้หัวมิโป้ของคุณสวยอย่างนะคุณทําบุญด้วยอะไรเนาะหัวนี้มือคุณช่างสวยเหลือเกินรู้สึกสบายเป็นไงสบายใจอย่างนี้ไมท้ายสมมติมันมีผลต่อจิตทันทีเลย ถ้าเรารู้จักสมมุติมันก็มีความดีใจเสียใจไปกับสิ่งที่เขากระทบมาแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักปรามัิเขาบอกว่านิ้วของคุณสวยเหลือเกินเราบอกมันไม่ใช่นิ้วนี่อันนี้มันรูปนะเราไม่ใช่นิ้วของฉันด้วยฉันไม่มีนิ้วฉันมีแต่ท่าสีดินน้ำาลมไฟคาพูดของเขามีผลสบายสบายหรือไม่สบายใจของเราไหมไม่มีผลเพราะเราดูมันเป็นอะไรเป็นปรามัดคือเป็นรูปอ่า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 บ า, าบ้างบุญบา้างสบายบ้างไม่สบายบ้างสลับกันอยู่เงี้ยในแต่ละวันชีวิตก็ไม่แน่นอนใช่ไหมเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆร่มลุกคลุกคานดีๆช่วยๆสุขๆทุกๆเป็นอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันก็ทําให้เราไม่สบายดังนั้นเรามาเรียนวิปัสะนานี้เพื่ออะไรเพื่อให้ยกจิตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งให้มารู้จักปรมัตดเพื่อที่จะได้รู้จักตัวสมมุติแล้วปล่อยวางสมมุติแล้วมาเข้าใจปรามัตดเราก็ยังใช้สมมุติอยู่แต่ว่าเราไม่เอา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 มันทุกข์อีแล้วมันทําหน้าที่อะไรรูปทำหน้าที่หน้าที่ของรูปทำกี่อยงหน้าที่ของรูปทำหน้าที่เกียงสามอย่างอย่าลืมไว้สิทําหน้าที่เป็นอะไรเป็นทุกข์ขังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตานั่นเป็นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่เมื่อเราต้องการที่จะได้ปัญญาจากเขาเราทําไง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 ว่าธาตุสีภายนอกคืออาหารจะมาชนกับธาตุสีภายในคือตัวเราเมื่อมาชนกันแล้วก็ต้องทําหน้าที่ใช่ไหมทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารเป็นอะไรทำอาหารเปลี่ยนอาหารจากอาหารหยาบมาเป็นอาหารละเอียดแล้วจากอาหารละเอียดก็ไปเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนเปเป็นอะไรเป็นธาตุใช่ไหมดินน้ําลมไฟส่วนไหนไปเป็นเลือดส่วนไหนเป็นลมส่วนไหนเป็นกระดูกส่วนไหนเป็นเนื้อเป็นเรื่องของมันแต่เราช่วยมันหน่อยก็ตรงที่ทําอะไรเคี้ยวอ่า แต่ถ้าขณะที่เราทําหน้าที่เคี้ยวแล้วไปเผลอคิดว่าอร่อยเมื่ออร่อยทุกเกิดได้ใช่ไหมบางคํามันก็อร่อยบางคํามันก็ไม่อร่อยบางคํคาคํำไหนอร่อยเราก็พอใจบางคําไม่อร่อยเราก็ไม่พอใจทุกก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเรยพราะเราไปติดตรงนั้นเป็นอวิชชาฐานนาวทานเกิดขึ้นตรงนั้นถ้าเพียงเพียงกำหนดรู้มีหน้าขี้เคี้ยวเคี้ยวกี่ครั้งคืนกี่หนรู้หน้าที่ก็คืนเข้าไปอร่อยไม่อร่อยเป็นเรื่องของมันเราทําหน้าที่ได้แค่นั้นเราก็ไม่ทุกข์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 ากายบําบัดนิดหน่อยอเพื่อที่จะเวลาเราไปปฏิบัติแล้วนี่มันเกิดขัดข้องอะไรขึ้นมาเราจะแก้ไขเป็ น, นเวลามันง่วงขึ้นมาแก้ไข ย, ยังไงมันเบื่อขึ้นมาแก้ไข ย, ยังไงเวลามันปวดเมื่อยขึ้นมาแก้ไข ย, ยังไงเวลาฟุ้งซ่านขึ้นมาแก้ไขยังไงเวลามันขี้เกียจขึ้นมาแก้ไข ย, ยังไงใช้โยคะเข้าไปแก้ได้นะดังนั้นก็ในสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดในเช้านี้เป็นความ รู้เกี่ยวกับการเจริญสติในการรักษาที่พูดมาในสีนข้อไหนสี่ข้อที่หนึ่งคือรู้จักรักษาชีวิตไม่ให้ทุกนะสีข้อที่หนึ่งเราจะว่าสี่วันละข้อเพราะนั้นต้องอยู่ครบ8วันนะใช่ไหดข้อดีเอาวันละข้อนะอันนี้การรักษาชีวิตเพื่อที่เราจะได้มีอะไรหลากหลายยิ่งขึ้นนะก็ขออนุโมทนาสาธุ ในความตั้งใจศึกษาชีวิตแล้วเราได้ศึกษาชีวิตนี้ได้ทะลุปูโปร่งแล้วทุกเราก็หมดไปชีวิตของเราก็คุ้มค่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ใช้ชีวิตของเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ส่องแสงสว่างให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปเราก็จะได้อานิสงค์ให้เราเกิดมีความสงบสุขเรื่องมรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเทอน